ตากันไหมอย่ไม่ตากันเนอะจะให้พอเลยก็ให้พอเนอ ะ, อะก็ทานก็สำเร็จประโยชน์แล้วเราก็สักบาตรลายอาหารพระที่เรียกว่าทานทานคือการสละความตันนี่วเน้ น, นความเห็นที่ตัวการทำทานเนี้ย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 ทำและการนำวัตถุส <laughs> <go> ิ er ่งของที่เราคิดว่าจริงนี้คือบุญเราก็เอามาด้วยอยากก็ถือว่าเราทําสําเร็จแล้วเราก็อุทิศอุทิศคุณงามความดีย่เบุญเนี้ยให้กับบุคคลที่ทําไม่ได้คนที่ลงลึกไปแล้วมีบรรดาบ้างบิดาบ้างทู่มีอุปการะคุณบ้าง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 อย่างบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเท่าเราทิศจะให้คนอื่นหมดบุนเราไม่หมดเหรืออันนี้เข้าใจผิดนะไม่หมดนเนี่ยยิ่งอุทิศให้ยิ่งมีมันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างเราเกินเล้าเนี่ยพอเปิดขวดทวกปลาเกลีพวกนู้หดแต่คมอื่มเกิดขึ้นกับเรามันไม่เหมือนวัตถุแบบนี้บุญเนี่ยอุทิศเลย ไม่ต้องขยับเลยถ้าขยับไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับของเกินเหลือเดนนี่ยมันจะไม่ได้ของใหม่ก็พอเพื่อนลองสังเกตดูไหมของอะไรที่เหลือเดนน่นมันยกินอไร่อยไหมน่าอร่อยเลอข้าวเหลือขึ้นอะไอย่างเงี้ยขนมเหลือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็มาอยากกินเจ้าของยังไม่อยากเกินเลยเด่นเจ้าของไงอยากให้เขา้าใจตามนี้แล้วุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มและย้อนกลับปัญหาเรา มากระทบที่กิตเนี่ยจิตไีนะจต่จะฟูขึ้นทีเลยยิ่งโวกสองต่อสองต่อรื่อสองต่อเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเกจริงเมื่อเรายังไม่สัมผัสยังไม่เข้าใจทำตามนี้แตก่อนขอให้ทำให้ได้เนี่ยในโลกวันญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะหาวัตถุเหมือนพวกเรามาทำได้ยกรอสนบนอย่างเดียวถ้าญาติพี่น้องทำ แล้วมู่อุทิศให้เราย้อนกลับไปหาพระเจ้าพิพิานตอนที่พระเจ้าพิพิษานถวายวัดที่ชางวัดนะีวัดไร่ลู่ที่มีพระเจ้าไปบัปรธานนะีมู่มุ่ทิศยากของพระเจ้าพิพิานที่รองรับไปแล้วในชาติก่อนนู้นรอมองหูพอได้ข่าวว่ายากทำบุญใหญ่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 ขาดเพืมนุษย์สัง่อยขาดช่างร่างหัวควายใช่ไหพระเจ้าพุทสารก็เลยเออก็จริงก็เลยพากันไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดดุริวันไปปรึกษาพระพุทธเจ้าว่าเสียงอึกทึ้ทึคนมนี่คือเสียงอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละคือญาติของอมหาบพิตรเองที่รอรับส่นบุญแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้ก็เลยร้องห้อยหวนว่า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 เลี้ยงถวายกันแล้วญาติเหล่านั้นนไม่ศรัทธาทําไปกินไปเล่นไปที่ว่าตายเราไปไปเป็นเตจเนี่ยนั่นแหะชุดนี้นหะแบบแบบในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นใช่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละญาติของท่านเองของมหาบพเพศเองที่เคยเป็นลงเป็นเป็นครัวเธอเป็นอทําทอาหารที่จะเลี้ยงพระ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 ว่าเวล้วันทําบุญสองครั้งครั้งที่สองนี่แหละเมื่อทำแล้วเจ้าพนมสารก็กุทิปบุญกสอนให้แก่เราเน้นนี่รีใจรับสนทนของพระเจ้าพนมิสารอีกครั้งหนึ่ทงทําบุญวันหยาเรานีนก็ไปจติไปเกิดใหม่เปลนภพภูมิใหม่เนี่ยที่ทำบุญครั้งที่สอง ที่เราไม่ทราบรู้เห็นไหมพบชาตินนในมาแทงง่ายรือพระเจ้าทีวสารเมื่อทำแล้วเนี่ยเจตตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับอนสอิสงเราลองเทียบคิดดูว่าในโลกธรญญยาเนี่ยมันยึดเย้ดขนาดไหนพระเจ้าองค์หนึ่งมาบติขึ้นในโลกยังไม่แตกอยู่เลยเนี่ยเคยเกิดทันพระ เ, รเจ้าองค์นี้แ้ว